ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมมากหลังจากที่บรรพบุรุษเข้านี่ทาลายสิ่งแวดล้อมมามากมายนะทางป่าทำให้สัตว์หลายๆชนิดเนี่ยสูญพันธุ์ไปตอนนี้ฝรั่งเขาก็มาตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแนวคิดเกี่ยวการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันจริงจริงแล้วมก็มาจากฝรั่งนะ เพราะว่าเขาเห็นความาเสื่อมโทรมหรือหายนะทางด้านสิ่งแวดล้อมในอเมริกาเนี่ยนะอุทยานแห่งชาติที่เป็นแห่งแรกในโลกนะก็เกิดขึ้นที่อเมริกาเดี๋ยวนี้ก็ยอมรับกันว่าเนี่ยการอนุรักษ์ธรรมชาติส่วนก็นคือการนะรักษาพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เอาไว้เป็นอุทยานแห่งชาติบ้างหรือเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบ้าง อันนี้ก็เริ่มมาที่ประเทศอเมริกาในรูปของการตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นมาเป็นแห่งแรกในโลกแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะเมืองไทยเราก็รับเอามาอุทยานแห่งแรกนะก็คือเขาใหญ่นะสมัยจอมพลสฤษดิ์แต่ว่าฝรั่งเาก็ยัง อ, อยากจะรู้นะศึกษา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 ตั้งแต่ในตะไลมานะก็ให้ความสำคัญกับการเคารพธรรมชาติมีคำสอนมากมายนะของพุทธเจ้าเนะี่ยที่ให้เราปฏิบัติกับธรรมชาติด้วยความเคารพในวินัยของพระก็มีสีข่ขาบทหลายข้อนะที่ไม่ให้ไปเบียดเบียนอย่าว่าแต่ตัดต้ดตนไม้เลยนะแม้กระทั่งตัดกิ่งลิบใบเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาบัต ถ้าไม่ป่วยเนี่ยน่าจะไปถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะบ้วนน้ำลายลงในน้าลงในของเขียวเนี่ยก็ไม่ได้นะอันนี้คารวะจะไม่ค่อยทราบแต่ว่าใครที่เป็นพระนี่ก็ต้องอทราบวิ น, นัยหรือสิกขาบทเหล่านี้เขาก็มาที่พระป่าสุก โ, โตเพื่อที่จะมาศึกษาว่ า, าพุทธศาสนานี่นะมีแนวคิดอย่างไรคกอเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ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 ศัตะว่าได้ยินนอันนี้ก็มีวิธีการที่หลากหลายมากนะในการใช้การเจริญสติเนี่ยนะไม่ใช่แค่ช่วยเยียวยารักษาคนเจ็บคนป่วยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเท่านั้นนะบางทีก็ไปใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนของเด็กนะเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยสมาธิสั้นนะสมาธิสั้นนี่ก็ไม่ใช่เป็น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 หนึนาทีก็เบื่อแล้วมันต้องมีภาพที่เคลื่อนไหวนะนิ่งอยู่ตลอด เ, ลเคลื่อนไหวจุดตลอดเวลาจะนิ่งแช่ไม่ได้เขาก็ให้เด็กมาเรียนรู้เรื่องการจรดสติแล้วก็พบว่าเด็กเนี้ยนอกจากอารมณ์จะดีขึ้นก้าวร้าวน้อยลงแล้วปรากฏผลการเรียนก็ดีขึ้นด้วยอันนี้เขาทํากับเด็กปถมอันนี้ฝรั่งก็สนใจนะเรื่องการ ท, ำำาทําสมาธิภาวนาะ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 ระวังภัยนะเพราะไม่คุ้นเคยนะบางทีก็เจอกิ้งกือนะกิ้งกือในป่าเนี่ยูกลามก็ใหญ่นะเหมือนกับป่าสุกะโตเนี่ยบางทีก็มีมดนะมีผึ้งเนี่ยพวกนี้บางคนก็กลัวผึ้งนะเพราะก็แพ้นะโดนผึ้งต่อยแล้วนี่อาจจะถึงตายได้หลายคนที่แรกก็กลัวแต่มันก็ดีนะเพราะว่า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 ทำให้เราไม่มีโอกาสที่ได้เห็นกิเลส ข, ของตัวได้เวลาเราอยู่ในที่ที่คุ้นเคยที่สบายเนี่ยกิเลสมันก็กบกดดานนะแต่พอมีอะไรมากระทบนะเพราะว่าความไม่คุ้นเคยกิเลสมก็จะอาจจะโผล่ขึ้นมากิเลสอาจจะเป็นความกลัวนะเราก็ได้เห็นความกลัวของเราแล้วก็ได้เลยรู้ว่าอ๋ออะไรเนี่ยที่ทำให้เรามีความกลัวบางทีความโลภ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 นะแต่ว่าอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือความสงบนะที่มันสามารถเกิดขึ้นได้พระพุทธองค์เนี่ยนะทรงส่งเสริมแนะนํำให้พระเนี่ยนะไปไปหาความสงบนะไปหาความสงบในป่าและความสงบในป่าเนี่ยที่จะน้อมนําจิตใจทําให้นะเห็นศักดิ์ธรรมนะพระอาหารหันต์หลายท่านเนี่ยท่านไปในป่าแล้วเนี่ยว่าท่านมีความสุขมากเลย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 ท่านอุทานขึ้นมาเป็นเป็นบทกวีนะก็มีคนแปลว่านี่ยามสายลมเย็นพิลลอ่อนกิ่นอบอวนขจรไปทั่วทิศนะฉันสงบจิตภาวนามุ่งขจัดอวิชชาไปจากใจนะคือพอสงบแล้วเนี่ยนะไม่ใช่สงบเฉยๆนะพอเจอธรรมชาติที่สวยงามแล้วเนี่ยไม่ใช่เพลิเพลินเย็นดอย่างเดียวอาศัยความความงดงามเนี่ยของธรรมชาต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 ถ้าพูดถึงในแง่ของสิ่งรอบที่เกือ้อกูลแล้วเนี่ยธรรมชาตินะมันมันอำนวยประโยชน์ได้มากทีเดียวแม้กระทั่งผู้จ้าเนี่ยก็ก็อาศัยธรรมชาตินี่แหละนะสถานที่ที่ท่านเรียกว่าลมมณีสถานเนี่ยเกือกูลทำให้ได้ตัสรุนพระสมมาส ม, าสมบทที่ยานได้คำนี้ก็เพ่อเทนีนะกลับพัก